อาหุสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หนพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบบนธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งทรงพิจารณาอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์เขาแยกออกสองส่วนว่าละบาปอะไรออกไปและกุศลที่เพิ่มผู้นั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอากุศลบาปประทมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า สิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการก่อนคือบาปอกุศลก่อนที่อรหัตตมรรจะเกิดเนี่ยนะไม่มีแล้วในการนั้นเพรอพออริยมะเกิดบาปอกุศลทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการนั้นคือก่อนหน้านี้มาสัพพัญยูไม่เคยมีแต่ได้มีแล้วในการนั้นตอนหลังก็ได้แต่สรูปเป็นพระสัพพัญยูไม่มีแล้วจากไม่มีหมายถาว่าถ้าหลังจากปรินิพานไปแล้วก็ต้องไม่มีอะไรละ ย่อมไม่มีในบัดนี้ก็ดับบาปอากุศลได้โดยประการทั้งปวงอธิบายบอกว่าอัตโนโอเนเก ป, ปะเปเก อ, อกุสเลทำเมปะฮี่เนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากิเลสต้องกิเลสพันห้าหรือกิเลสพันห้าร้อยเอ่อพันกับอีกห้าจริงๆก็บอกกิเลสพันห้าร้อยนะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอ แต่นี่ยทำไมเลขศูนย์กับเลขข้ามาลลลสลมสับกันนิดหน่อยกิเลสหนึ่งพันห้าร้อยนะไม่ใช่กิเลสกับพันห้านี่คือประกาศว่ากิเลสมันเยอะนะอย่าไปสนหนักนั่นในตัวเลขเกินไปเลยก็ <Yeah. S 1> หมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมันมีมากมายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเคยเกิดอันเป็นไปตลอดกาลเบื้องต้นอัอนหับ หาเวลาไม่ได้ในสันดานของพระองค์เองหมายถึงชีวิตของพระองค์ในอดีตก่อนที่อรหัตตมรรคจะเกิดอดีตถอยหลังไปเนี่ยนยก่อนหน้านั้นะ่ะโดยเฉพาะตอนที่พระองค์ไม่ได้เจริญอรหัตตมรรคเป็นต้นเนี่ยตอนก่อนที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นกิเลส บ, บาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าเกิดในน้อ ย, อยก่อนหน้านั้นอากุศลธรรมบาปประธรรมมากมายที่ได้เกิดขึ้นในใจของพระองค์ นะเช่นโลภะโทสะโมหะวิปริตมนสิการความโลภ ก, ก็ติดข้องใช่ไหมความโกรธก็ประทุสร้ายความลุ่มหลงโมหะวิปริตมนสิการก็คือการสายใจที่วิปริตจากความเป็นจริงนะนะก็คือสายใจแบบพลาดเคลื่อนเช่นไปสายใจว่าเที่ยงเป็นต้นอหิริกะคือไม่ละอายต่อความชั่ออโนตปะไม่เกรงกลัวต่อบากปรกรรม ความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยามัจเฉรยิยะมายาสาไถยเนี่ยนะมายาก็หลอกลวงอะนะสาไทยะก็โอ้อวดธรรมภะหัวดือ้อสารัมภะแข็งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะก็ดูหมิ่นคนอื่นมัทะก็ความเมาประมาทะก็ประมาทตันหาความเพลิดเพลิน อวิชาก็ไม่รู้สัจจะอกุศรมูลสามอะไรบ้างโลพาโทสะโมหะ น, นะทุจริตสก็กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตสังกิเลศสาคือทุจริตตัณหาและทิฏฐิมนทินสามก็คือมทินคือมทินแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองคือราคะโทสะและโมหะวิสมะสัญญาก็คือกามสัญญาพยาบาทสัญญาและ วิเหงษาสัญญาวิตกษามก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกและมิเหงษาวิตกปปัญจะเครื่องเนินชาสามก็คือตัณหามานะทิฏฐิวิปปราชีก็คือสุภาพวิปปราชนิจวิปปราชสุขาวิปปราชและอัตตวิปปราชอาสวะสีก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะ โอคาสก็เหมือนกันกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิที่โขคะนะฮวิโชคะโยคะสก็คือ <c oughs> กามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยค ะ, ะยยแล้วก็อวิชยาโยคะคันทะนะอภิชากายคันทะพยาปาทกายคันทะศีลพตาปรามาสกายคันทะอิทังสัจจพินิเวสกายคันทะ อคติก็คือโทสะคติอคขอภัยระอะไรนะชันทาคติโทสะคติโมหคติพยาคติตันหุปาทานก็คือตันหาที่ติดข้องในปัจจัยสมีจีมีเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาเจโตคีละก็คือตะปูเครื่องตึงใจทําให้จิตใจแข็งกระด้างมีอะไรบ้างสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์ สงสัยในเสขาแล้วก็มีใจกระด้างในเพื่อนพรหมจรรย์เจโตวินิพันธะก็คือเครื่องผูกพันใจเครื่องผูกพันใจห้าประการก็มีผูกพันในกามในกายในรูป <c oughs> แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ปราธถนาเทศนิกนิวรก็คือเครื่องห้ามห้ามบุญห้ามกุศลกามฉันทะนิวรพยาบาทนิวรถีนะมิธาอุทะจักกุกุจะและวิจิกิจชา อภินันทนะห้าก็คือเพลิดเพลินอย่างยิ่งอภินันทนะมาก็ยินดียิ่งในรูปเสียงกลี่นรสโพธพภะวิวาทมูล6กนะก็คือมูลเหตุให้ทะเลาะวิวาทเพราะความโกรธความผูกโกรธความริษยาอิ ส, ส, า, สาสาไถยปาปิชาปรารถนาลามมกแล้วก็การยึดถือแต่ความเห็นของตัวเองทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทตันหากาย6ก็คือ รระะโรคปัะตันหาสัทธตัจหาคันธาราสะโพทะพะและธรรมะัจนหาอนุสัยก็คือกิเลส ท, ที่มีกำลังที่ยังละไม่ได้มีอะไรบ้าง น, นการมราคาอนุสัยปฏิคานุสัยอ น, นอวิชานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและอะไรมานานุสัยนนมิชตะก็คือความปฏิบัติผิดเ น, นี่ยนะมีอะไร มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิดตัณหาเป็นมูล9ก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาเมื่อหาก็ได้ลาบเมื่อลาบก็วินิจฉัยเมื่อมีการวินิจฉัยก็ฉันทราคะผูกพันยึดถือห่วงแหนเกิดความตนีเกิดการรักษาจับอาวุธทะเลาะเบาะแวงกันเป็นต้น อันนี้เกิดจากตัญหาเป็นมูลอากุศลกรรมบท10ก็คือความชั่วทางกาย3ความชั่วทางวจีสีความชั่วทางใจอีก3ทิฏฐิหกก็คือทิฏฐิในอดีต18ทิฏฐิปรารภอนาคตอีก44รวมเป็นทิฏฐิหสสสัตทิฏฐิเอกจสัสตทิฏฐิแล้วก็อะไรนยอาทิจะสมุปป น, นะทิฏฐิ สัญญีวะทะสัญญีวาทะเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเป็นตน้นมนีอะไรโกธาเลยโกธาก็โกรธไงความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมัคขะลบลูประลาสตีเสมออิจฉาก็คือริษยามัฉริยะคือตนีมายาคือหลอกลวง สาไทยคือโออวดทำพระหัวดื้อสารัมพระแข็งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะดูหมิ่นคนอื่นมาทะความเมาประมาทะความประมาทตันหาความติดข้องอวิชาความโง่เขลาอากุศลมูลคือรากเงาของความชั่วสามอย่างทุจริตสามก็กา ย, ยะทุจริตเป็นต้นในต่อไปว่าตันหาวิปริตร้อแก็คือตันหาสาม กามตัฐหาภวตันหาวิภวะตันห า, า, นหาคูณอารมณ์6เท่าไรสามหกสิบแปดสคูณภายในกับภายนอกเป็นเท่าไหกสามสิ 3, 16, 36, แบ่งเป็นตันหาในอดีตตันหาในอนาคตตันหาปัจจุบัน36มสิบคูณสเท่ากับรปเป็นต้นบาปอากุศลธรรมอันชั่วช้าลามมกเป็นอันมากที่ชื่อว่าอากุศล สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอากุศลเพราะมันเกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากความโง่เขลากิเลส ท, ทั้งพันหเหล่านี้เนี่ยนะที่พระองค์ละแล้วตัดเด็ดขาดแล้วด้วยอริยมรณคขวงต้นโพณคขวงต้นโพพรึกนั่นเองพร้อมทั้งวาสนาพระองค์ก็นั่งพิจารณาตามลำ ด, บลำดับบทว่ากิเลส แ, แ, แม้นี้เราละได้แล้วกวิเลสแม่นี้เราละได้แล้วก็ละบาปละอกุศลได้เยอะแยะเลยนะ ใครอยากจะรู้ถึงบาปอากุศลเนี่ยนะไปดูในคำภีวิพังนี่เห็นเยอะโอ้อกุศลมากมายจริงๆเลยเ ล, ไไ เ, เล่มอะไรเล่มหกสิบแปดเล่มหกสิบแปดชื่อว่าอืขอโทษขอโทษเจ็ดสิบแปดเล่มเจ็ดสิบแปดชื่อว่าคุถกะวัตถุวิพังนะเรื่องกิเลสลว้วนๆเลยเห็นเรื่งกิเลสธรรมดาจนถึงกิเลสเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละทีนี้ การปฏิบัติธรรมในพระศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อกาจัดความเศร้าหมองต่างๆเหล่านี้นั่นเองอนะพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าการประพฤติการปฏิบัติการศึกษาในพระศาสนาของพระองค์นั้น่ะก็เพื่อเพื่อกาจัดบาปกาจัดอกุศลกาจัดสิ่งที่เลวร้ายที่มีอยู่ในจิตใจนี่นะ ขาดเดียวกันจากการปฏิบัติของพระองค์ะนะนเนเกจากุสเลธรรมเม่พระองค์พี่าจรณาถึงกุศลธรรมที่หาโทษมิได้ของพระองค์เป็นอันมากอนเนกก็คือมากเป็นต้นอย่างนี้คือเช่นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะนี่ก็รวบรัดมาเลยเป็นสติประธานสีสัมมาประธานสีอิทธิบาสสี่อริยมัตสสี่อริยผลสี่ปฏิสัมพิทาสียานเครื่องกาหนด กำเนิดสี่อริยวงสี่เวสารัชยานสี่นี่คอเอาหมวดสีงหมวดห้าก็องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าสัมมาสมาธิมีองค์ห้าสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณห้ายินรี่ห้าพละห้า 5, นิสารณิยธาตุหวิมุตตายตนะห้าวิมุตติปริปัจจินะสัญญาห้านเ่คือเอาหมวดห้าหมวดหวด 6, อนุสติฐานหกคาระวะห นิสรนิยธาตุหอ น, นสัสสตตะวิหารธรรม6อนุตริยะ6นิเพทะภาคิยะสัญญา6อภินยาหอสาสาธารณายญาณอันนเรีก้ก็หมวด6ทั้งหมด7ก็อปริหานิยธรรม7อริยรัพเจตพ่อชง7สัพปริสธรรม7นิชรวัตุ7สัญญา7ทักขินายบุคคลเทสนา7ขีนาสวะภละภละเทสนาอีก7 หมวด8ก็บอกว่าปัญญาปฏิลาภาเหตุเทศนา8สัมมาตาแปโลกธรรมมาติกมะคือ9ก้าล่วงโลกธรรม8อารัมพะวัตถุ8อักคณะเทศนา8มหาปุริสวิตก8อภิพาัตนะเทศนา8วิโมก8นหะหมวด8หมวด9ที่เป็นคุณธรรมที่พระองค์มีอยู่ก็คือธรรมที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9 อง์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาวะเทศนากอาคาตปฏิวิยะเทศนาก้าสัญญาเก้านานัตตะนานัตตะเกอนุปภาพวิหาร9อันนี้เราหมวด9ส่วนนาทะกรณะธรรม1ิกสกษนายตนะ1ิบอกุศลเอมนกุศลกรรมบท10สัมมตตะ10อริยวะส10อเสกขธรรม10ตถาคตพะละ10าหมวด10 ส่วนหมวด11ก็คืออ น, นิสง์เมตตา11อาการธรรมาจาก12บทุดงคุณ13พุทธญาณ14วิมุตติปริปัจินนยธรรม15อาณาปานาสติ16อปรันตปะนิยธรรม16มหาวิปสนา18พุทธธรรม18ปัจจเวคขณะญาณ19ญายานวัตถุ44อุทยพยัญาณ50ากุศลธรรมเกิน50ญยานวัตถุ77สมาบัติ มหาวชิระยานสองล้านสี่แสนโกดปัจเวคขณะยานเทศนาอันเป็นวิสัยแห่งสมันตะปทานซึ่งมีนัยยะหาที่สุดไม่ได้ยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายผู้หาที่สุดไม่ได้ในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้เหมือนกันอันถึงแล้วซึ่งความเจริญเต็มที่พระยานทั้งมวลเหล่านี้เจริญเต็มที่เพราะอะไร เพราะผลแห่งการบำเพ็ญพระบารมีและผลแห่งการเจริญมักตลอดการหาที่สุดไม่ได้กระทำพุทธคุณอันบายหน้าต่อมนสิการให้เป็นวักเป็นวักให้เป็นกองเป็นกองด้วยภาษทยว่าธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้เหล่านี้มีอยู่ในเราธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้เหล่านี้มีอยู่ในเรา เธอพระองค์เนี่ยนะคิดดูนะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมว่าพระองค์กําจัดพิษภัยทุกโทษบาปอากุศลอะไรออกไปบ้างพระองค์รู้หมดเลยไม่แยกเป็นหมวดหนึ่งสองสามสี่แยกแยะไปหมดขณะเดียวกันคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์ที่ที่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญทําให้มีขึ้นมีอะไรก็มาจําแนกว่าคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในเราคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในเราของเรานี้ใช้เวลาสักสองนาทีนี่น่าจะหมดเนาะถ้าหรด่ดีเป็นชั่วโมงเลยเนาะ เอ่าคิดถ้าไตรปิฎกเล่มนั้นเราก็อ่านมาแล้วอย่างดีอย่างนี้ว่าศีลนั้นเราก็สมาทานเป็นอย่างดีพระพุทธคุณเหล่านี้เราก็เลื่อมใสไล่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยโอ้ท่ามีบุญขนาดนั้นก่อนุมอโมทนาด้วยอันน้นก็เรียกว่าพิจารณาถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้ามาพิจารณาถึงว่าพระองค์นี้มีคุณธรรมอะไรบ้างที่มีอยู่ในใจของพระองค์ก็จัดจำแนกแจกแจงแยกแยะเป็นหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดเก้าบ ตลอดจนถึงนั่นแห 2, 4, 000, 000, และสองล้านสี่แสนโกดแล้วก็สมันตะัฎฐานอันหาในที่สุดไม่ได้ยานที่รู้อัธยาศัยของสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้นั้นพยานของพระองค์นี่กว้างขวางที่พระองค์บอกว่าอาสงไขยนี่มีอยู่สี่ใช่ไหมที่มีในพุทธวงศ์ะนะอสงไข่สี่คือหนึ่งหนึ่งอะไรมูสัตว์สองอากาศสามจักรวาลอย่างที่สี่ก็คือพุทธญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ คือบุคคลตามรู้รู้ยังไงก็รู้ไม่สุดเพราะปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหมดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจมนานศสิ ก, การตามลำดับบทได้หมดสิน้นเพราะเป็นธรรมะที่หาที่สุดไม่ได้หาปริมาณไม่ได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงพันานาคุณของพระพุทธเจ้าหากไม่ตรัสอย่างอื่นแม้ตลอดกับ กลับก็จะพึงถึงความสิ้นไปในระหว่างกาลนานานะผู้สรรเสริญพระพุทธคุณระลึกพระพุทธคุณไปเรื่อยๆเอามาพูดยังไงกลับนี้หมดก่อนแต่คุณของพระตถาคตทั้งหลายก็ไม่หมดสิ้นเนี่ยนะแล้วยิ่งเหมือนเราเลี้ยงอะไรนะท่องจั ก, กรวาลหรือไม่ก็นั่งนับสัตว์ดูนะนับหนึ่งสองสามนั่งนับปลวกกันดูซิมีเท่าไหร่นับมดนับปลานับนับคนยังพอนับได้บ้างไหม ถ้าไปนับสัตว์พสัตว์ทั้งหมดสัตว์นับสัตว์บกนับสัตว์น้ําเป็นต้นเนี่ยแล้วนับทุกทุกจั ก, จกรวาลเนี่ยจะนับไดกเท่าไหร่นะพระพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันยิ่งนับถ้าเราว่าถ้าลักษณะมันนับแบบนั้นมันนับไม่ไหวหรอกเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้มีพระคุณกว้างขวางเนี่ยนะอย่างที่ทั่วไปก็จะอุปมาอะไรพระผู้มีปัญญาพระผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินนัไนเงี้ ยกตัวอย่างว่าถ้าเสมอด้วยแผ่นดินคือเดินไปที่ไหนเราไปพ้นแผ่นดินไหมไม่พ้นบอกว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าไปอยู่ทุกคนทุกแห่งคือมีปัญญามากอย่างนั้นนั่นเองอะนะพระผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ตรัสอีกว่าใครใครไม่พึงนับชื่อของพระมเหสีเจ้าโดยพระคุณที่มีอยู่พึงยกพระนามขึ้นโดยพระคุณแม้ตั้งพันนามคืว่าเอามาตั้งชื่อนะว่าคนที่มีชื่อเยอะที่สุดก็คือ พระผู้ธเจ้าเพราะเรียกชื่อตามพระคุณเช่นอะไรนะผู้ทรงวิชาสามนะเเตวิโชชละพินโยปฏิสัมพิธปะปัตโตเป็นต้นเอาสิ่งเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อชื่ อ, อ, อตั้งไปเถอะสิบปีก็ไม่มีจบเหมืองกันก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดเสด็จเข้าพระวิหารประทับยืนที่หน้ามุกพระคันทกุตี เมื่อพิสูุทั้งหลายแสดงวัดแล้วหลีกไปพระองค์ก็เสด็จเข้ามาหาคันทกุตีประทับนั่งเนื้อบวรพระพุทธอาฏที่บรรจงจัดไว้ทร ง, ส, งส่งพระยานอันมีอดีตชาติของพระองค์เป็นอารมณ์เป็นไปโคจรท่องเที่ยวไประลึกถึงชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมาในอดีตอดีตชาติของพระองค์มีประเภทหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้ปรากฏแจ้งตลอดการระหว่างหาประมาณไม่ได้พระองค์ท่งทรงญาณเนี่ยนะโคจร จระจระก็คือเที่ยวไปเป็นยานที่มีกิเลสเป็นอารมณ์ใครควรถึงกิเลสของตัวเองที่เคยเกิดในสังสารวัฏในอดีตอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะพิจารณากิเลสเหล่านี้ว่าเป็นมูลแห่งทุกขขันเป็นกองทุกข์ที่ใหญ่หลวงนี้พิจารณากิเลสเหล่านั้นตามลำดับมุก ค, คือการละพิจารณาถึงกิเลสที่ถูกละไปแล้วตัวนั้นก็ถูกละไปแล้วตัวนั้นก็ถูกละไปแล้วเนี่ยนะ หลังจากนั้นพระองค์ก็พิจร า, ารณาอริยมรรคพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งปริวาสพร้อมทั้งอุเทศอันกระทําการละกิเลสเหล่านั้นอีกว่ากิเลสเหล่านี้หนอเราละได้เด็ดขาดแล้วด้วยดีจึงทรงกระทําไว้ในพระไทยซึ่งธรรมะอันหาประมาณไม่ได้มีศรรีลเป็นต้นของพระองค์อันมีประเภทหาที่สุดหาประมาณไม่ได้แม้แต่ศีลของพระพุทธเจ้านี่อันนี้ก็เป็นศีลของพระองค์นี้ก็เป็นศีลของพระองค์นี้ก็เป็นศีลของพระองค์ไปอ่านพรหมชาลสูตเถอะ เป็นต้นเนี่ยนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าพระองค์มีศีลเยอะมีสมาธิเยอะมีปัญญามากแล้วพระคุณต่างๆเอามาจําแนกแจกแจงไม่มีจบแต่ที่จบก็คือเราจนปัญญาที่จะสรรเสริญนี่ิจนปัญญาที่จะจําได้เป็นต้นก็กล่าวท่านเจียงกล่าวว่าสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาประทับนั่งพิจารณาอากุศลธรรมอัญลามกเป็นอนเนกที่พระองค์ละได้แล้ว คือในสมัยที่อริยมรรคไม่เกิดใช่ไหมจิตเป็นปสมัยที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏะยังไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ยังไม่บรรลุอริยมรรคยังไม่เป็นพระสัพพันญูเมื่อท่องเที่ยวไปในวัฏฏะก็ถูกบาปอากุศลเป็นอันมากเล่นงานครอบงำย่ายีท่วมทับเนี่ยพี่เอเรณาว่ากิเลสเหล่านั้นเหล่านั้ น, เ ห, น, นเหล่านั้นถูกตัดหัวหมดแล้วเนี่ยนะตัดหัวกิเลสนี่แหละที่มันได้บุญอย่างเดียว พันพระองค์ก็ละได้แล้วแล้วก็พิจรารณากุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนากุศลที่มีขึ้นในใจของพระองค์เนี่ยเกิดจากภาวนาใช่ไหมเริ่มภาวนาเป็นกุศลเริ่มเอาจริงเอาจังแต่เมื่อไรตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ต, ตั้งความปรารถนาในการเจริญกุศลจนกุศลเกิดขึ้นหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้กุศลเหล่านั้นก็ถึงความบริบูรณ์เจริญงอกงาม ครั้นพิจารณาพระองค์ก็เปล่งอุทานแสดงถึงปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นแล้วอนะอุทานที่พระองค์เปล่งว่าสิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการ<อ>ก่อนไม่มีแล้วในการนั้นสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการก่อนได้มีแล้วในการนั้นไม่มีแล้วจากไม่มีและย่อมไม่มีในบัดนี้อธิบายว่าอาหุปุกเพความว่าก็ก่อนแต่เกิดอรหัตตมรคยานมูกิเลตมีราค่าเป็นต้นทั้งหมดได้มีแล้วในสันดานของเราแล้ว ในหมู่กิเลสเหล่านี้แม้กิเลสรายๆจะไม่มีก็าหามีได้มันเคยมีมาแล้วเหมือนกับว่าเราเคยเวียนว่ายาได้เกิดในวัฏะเนี่ยนะมีอกุศลไหนบ้างที่ไม่เกิดเหมือนอย่างว่าถ้าท่องเที่ยวไปในวัฏะเนี่ยนะมีสรีระแบบไหนบ้างที่เราไม่เคยเป็นพระองค์บอกว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยที่พระองค์ไม่เคยเป็นอะไรเนหาได้ยากเว้นแต่เป็นพะอริยะนะที่เหลือเป็นมาหมดแล้วหมือนั้น แล้วก็สถานที่อยู่เว้นสุทธาวาสก็อยู่มาหมดเหมือนกันก็แสดงว่าสังสารวัต ท, ที่ยาวนานแล้วบาปอากุศลที่เคยเกิดในอดีตละ่ะเกิเคยเกิดขนาดไหนพันกิเลสเหล่านั้นเนี่ยกิเลสรายๆจะไม่มีก็าหามีได้บทว่าตฐานนาหุในการนั้นคือในเวลานั้นได้แก่ในขณะอริยมรรคหมู่กิเลสไม่ได้มีคือไม่ได้มีเลย หมู่กิเลสนั้นกิเลสแม้มีประมาณน้อยชื่อว่าเรายังละไม่ได้ในขณะอริยมัคย่อมไม่มีอันกิเลสเนี่ย น, นะถูกอารยมัค ก, กำจัดโดยสิ้นเชิงอันนี้อนุภาพของอะไรอนุภาพของพระนิพพานว่าอริยมัคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นสามารถถ่ายทอนสามารถกำจัดกิเลสทั้งหมดได้โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ย น, นะในขณะแห่งอารยมัค บทว่านาหุปุเพความว่าก็ธรรมะอันหาโทษไม่ได้หาประมาณไม่ได้ของเรานี้บัดนี้เราได้ประสบบริบูรณ์แล้วด้วยภาวนาด้วยการเจริญขึ้นนะด้วยการทําให้มีขึ้นธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้นั้นในการก่อนแต่ขณะอริยมรรคไม่ได้มีแล้วคือไม่มีเลยเช่นอาสาธารณญาณเนี่ยนะอาสาธารณญญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีต่อเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว คืออรหัตธรรมกเกิดขึ้นแล้วนะอสาธารณญญาหกเวสารัญญาสี่เป็นต้นจึงได้เกิดขึ้นบทว่าตาทาอโหความว่าก็อรหัตธรรมะกยานเกิดขึ้นแก่เราในการใดในการนั้นธรรมะอันหาโทษไม่ได้ทั้งหมดได้มีแล้วแก่เราจริงอยู่คุณแห่งพระสัพพันธ์อยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยการบรรลุอรหัตธรรมะย่อมอยู่ในเงื้อพระหัตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีเดียวอยู่ในเงื้อมือนะ ก็อยู่ในเงื่อมมือพร้อมที่จะนึกอะไรก็เป็นสิ่งนั้นไปหมดเลยบทว่าณนะจาหุณนะจภวิสติณนะเจรติวิชติความว่าก็ธรรมะอันหาโทษไม่ได้คืออริยมรรคนั้นใดเกิดขึ้นแล้วณนะประเทศเป็นที่พ่องไสเนี่ยนะที่จริงเกิดณนะประเทศอ น, น, นทนะมแห่งโพธิญาณของเราอ่ะอันเป็นเหตุให้เราละหมู่กิเลสทั้งหมดได้เด็ดขาด อริยมรรคนั้นก่อนแต่ขณะมรรคไม่มีและไม่ได้มีแก่เราเลยฉันใดอริยมรรคนี้ก็ฉันนั้นจะไม่มีคือต่อไปต่อต่อไปพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดอริยมรรคอีกอไหมโซดาปฏิมรรคเกิดครั้งเดียวสกะท า, าคามีมรรคก็เกิดครั้งเดียวอนาคามิมรรคเกิดครั้งเดียวและอรหัตตมรรกก็เกิดแค่ครั้งเดียวนเนี่ยนราะฉะนั้นอริยมรรคก็จะไม่เกิดอีกต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสก็จะไม่เกิดอีกต่อไป เพราะอะไรเพราะอริยมรรคเกิดขึ้นทํากิเลสประหารกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วมันกิเลสเหล่านั้นก็จะไม่มีกิเลสที่จะต้องละไปอีกบัดนี้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีกิจที่จะต้องทําเพื่อการละกิเลสไม่มีกิจต้องทําเพื่อเจริญอริยมรรคแต่พระองค์ก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติเพื่อทิฏธรรมะสุขวิหารธรรมเป็นต้นสรุปว่าอริยมรรคไม่เป็นไปมากครั้งจึงเรียกว่าไม่ถึงฝั่งคืออริยมรรคสองครั้ง โซดาปฏิมัคไม่ไม่มีจําเป็นต้องมีซ้ํำไหมไม่ต้องอรหัตมักต้องซ้ํำไหมบอกไม่ต้องดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงพิจารณาถึงอกุสโตธรรมที่พระองค์ละได้เด็ดขาดในสันดานของพระองค์ด้วยอริยมักและธรรมะอันหาโทษไม่ได้หาประมาณไม่ได้อันถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาสังเกตดูนะในตรงนี้เน้นอะไรเน้นปหาตประธรรมกับเน้นภาเวตปธรรมว่าปหาตประธรรมสิ่งที่ถูกละเนี่ยนะ สิ่งที่สมควรละพระองค์ได้ละหมดสิ้นแล้วสิ่งที่สมควรเจริญพระองค์ก็เจริญได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจึงเปล่งอุทานอันเกิดด้วยกําลังปีติที่เขาน้อมเข้ามาในตนเนี่ยนะเขาบอกว่ายิ่งพิจารณาถึงทุกโทษทั้งหมดที่ตัวเองละได้แล้วพิจารณาคุณที่มีอยู่โดยประการใดๆปีติปราโมทย์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, ม, นมีความสุขมากขึ้นใช่ไหม ด้วยขาถาต้นแสดงถึงเวสารัชยานเบื้องต้นทั้งสองเท่านั้นเวสารัชยานสองข้อหลังเป็นอันทรงประกาศดีแล้วทีเดียวเพราะประกาศถึงสัมมาสัมโพธิยานถ้าดูนะบอกว่าพิจารณาอากุศลที่พระองค์ละไปแล้วอันนี้คิดว่าขีนาสะวะัปติญญาปติญญาว่าพระองค์ถึงความเป็นผู้สินสะะสนส้นอาสวะสิ้นบาปสิ้นอกุศลสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง เอาเครื่องมือคือกิเลสเหล่านี้ไปตรวจเช็กดูในพระพุทธเจ้ามีอะไรเหลืออยู่บ้างมีไมในนี้พระองค์นี่เป็นพระขีนาสพสิ้นอาสวะสิ้นบาปสิ้นอกุศลเหล่านี้โดยประการทั้งปวงกรว่าเออคนไม่มีข้อมูลก็ว่าไปอย่างหนึ่งถ้ามีความรู้โดยละเอียดแล้วเอาไปตรวจดูตรวจดูมีพฤติกรรมทางกายทางวาจา ม, มีความรู้สึกนึกคิดใดๆบ้างที่เจือไปด้วยบาปอากุศลไม่มีเลย ทัานธยามาเนี่ยติดตามหาช่องหาโอกาสหาเป็นปีก็หาไม่พบเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยมีความรู้ในเรื่องคุณงามความดีทุกอย่างเอาไปตรวจดูว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั้งหมดในพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาอะนะเวสารัชยานมีสี่ใช่ไหมหนึ่งขีนาสวัปฏิญญาสองอ่สัมมาสัมพุทธปฏิญญาสาม อ, อะไรนะนิยานิกรธรรมเทศนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายิกธรรมเทศนามีสี่อย่างคีนาสวะปฏิญญาก็คือปฏิญาณว่าเป็นผู้สิ้นอกิจสิ้นกิเลสสิ้นอกุศลโดยประการทั้งปวงสัพพัญยูปฏิญญาหรือนะสัมมาสัมพุทธปฏิญญาก็คือปฏิญญาณว่า พระองค์รู้สรรพสิ่งจริงๆนะนะรู้ทั้งหมดรู้อดีตอนาคตรู้ปัจจุบันรู้ทั้งสังคตะอสังคตะรู้ทั้งบัญญัติปรมาตุวหารอะไรทุกชนิดรู้หมดเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อนิยานิกธรรมเทศนาก็คือคําสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั้นอะ่ะสอนแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนําออกจากทุกได้จริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรน ะ, อ, น อ, ะอันตรายกธรรมเทศนาสิ่งใดที่พระองค์บอกว่ามีทุกมีโทษ เป็นสิ่งที่เสียหายเลวร้ายก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ว่าทุกประการก็เห็นชัดในพระพุทธคุณนะใครที่อยากจะเจริญพุทธานุสติก็พิจารณาถึงปหาตปรธรรมที่พระองค์ละแล้วพิจารณาถึงภาเวตปรธรรมที่พระองค์เจริญก็ได้เนี่ยนะจะได้เข้าใจคำว่าสัมมาสัมพุทโธนะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะสูตรนี้อธิบายคำว่าสัมมาสัมพุทธะได้เป็นอย่างดี